เรื่องประหารสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งทุบตีท่านจนถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่ทุบตีนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่85้า สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่าจึงทุบตีท่านจนถึงแก่มรณภาพท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่86สสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเข้า ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความประสงค์จากข้าจึงทุบตีท่านภิกษุนั้นไม่ถึงแก่มรณภาพท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตปาราชิกแต่ต้องอาบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่87จ